ฟังทำกันตามสบายอันมาก็ไม่ได้เตรียมเรื่องอะไรมาพูดอะเพราะสองวันนี้ก็ไม่อยู่ลงไปแกล้งคอนลงไปแช่ผูกทั้งสองวันกลับมาก็มืดก็เลยไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรเลยวางแผนว่าพูดเรื่องเหตุการณ์เฉพาะหน้าก็แล้วกันช่วงนี้เป็นช่วงที่ทางวัดเราเนี่ยเปิดโอกาสให้พระใหม่ได้มีโอกาสพูดแสดงธรรมการแสดงธรรมเป็นการสอนตัวเองและสอนโยมด้วยถ้าโยฟังเป็นนะ แต่ถ้าโยฟังไม่เป็นเนี่ยโยก็ไม่ได้อะไรเราไม่ได้ดูไม่ได้ฟังว่าผู้พูดเนี่ยพูดดีหรือไม่แต่แดูใจเราสมมุติโยไปเจอนักเทศที่พูดไม่เป็นพูดวนไปเวียนมาพูดพอพูดได้เป็นเนี่ยเราก็ดูจิตเราว่าเราเกิดปฏิกะไม่เบื่อไหมเพราะแต่ละคนจะมีคุณสมบัติไม่เหมือนกันบางคนก็เสียงดีบางคนเสียงไม่ดีบางคนเทศเก่งบางคนก็พูดไม่ค่อยเป็น พรเรื่องเทศเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าจะหัดจะได้ง่ายบางคนเนี่ยบวชมา 30, 4, 4, 000, สามสิบสี่สี่พรรษเทศไม่ได้เลยเพราะอันนี้เป็นทักษะส่วนตัวแต่พระใหม่บางรูปเนี่ยบางคนอาจจะเคยเป็นครูมา ก, ก่อนเคยเป็นทนายมา ก, ก่อนบวชแล้วปุ๊บก็เทศได้เลยก็มีนั้นความสามารถเฉพาะตัวเรื่องนี้จึงไม่เท่ากันหรือบางคนมีความรู้มากนักเทศจะได้เปรียบถ้ามีความรู้มากคนมีความรู้สามารถขยายความ หรือเรื่องรู้มาพูดเรื่องนี้มาพูดได้เลยแต่ถ้าคนมีความรู้มันนึกไม่ออกนะจะพูดเรื่องอะไรฉนันคุณสมบัตินักเทพก็ต้องควนขวายหาความรู้ให้มากที่สุดประเด็นสาคัญเนี่ยเป็นการสอนตัวเองอารบาก็บอกพระใหม่ทั่วไปนะว่าเราอย่าไปคิดสอนคนอื่นนะอย่าไปคิดสอนโยนเด็ดขาดเลยเพราะคิดสอนผู้ผิดแล้วบางทีเราร้อยวิชามามาเรียนธรรมะอมาราาอันนี้พูดถึงหลังใหม่นะโยมเขาไมฟังหรอกบางทียิ่งพระใหม่พระเก่าโยมไม่อยอยากฟังเลย นอกจากโยมนักสีคนไหนโยมก็ไปหาคนนั้นเราบางทีจะไม่ถึงเวลาครับไม่ถึงเวลาที่จะพูดแต่เราอยากแสดงให้เขารู้ว่าเรามีภาวะมีธรรมะนะต้องมาฟังฉันอะไรอย่างนี้อันนี้ตั้งจิตไว้ผิดบางคนไปสอนพ่อแม่สอนเพื่อนแล้วเขาไปฟังก็โกรธอีกมีบางคนเนี่ยเข่งเข่งมากเลยตอนบวชเป็นพระสอนค น, นคนนุ้คนนี้พอสึกกไปเนี่ยเมาหัวลาน้าเลยหนักกว่าเดิมอีกแล้วก็เจ้าอารมณ์อันนี้ อันนี้ก็คือเป็นการสอนที่ล้มเหลวเพราะจุดประสงค์ของการแซงทามคือสอนตัวเราเองทําให้ดูอยู่ให้เห็นบางคนอาจจะพูดได้เป็นแต่เราสามารถแซงทามให้โยมได้เห็นได้ก็คือใช้ชีวิตชีวิตที่เรียบง่ายเจออารมณ์กระทบไม่โกรธซึ่งถ้าเราโกรธปุ๊บการสอนก็จบแล้วโยมไม่เชื่อถือแล้วเราตกไปท่าของอารมณ์ความคิดปรุงแต่งก็มีหลายคนนะที่สอบตก บางคนก็สอบผ่านเจออารมณ์กระทบแล้วผ่านอารมณ์นั้นได้เดี๋ยวตัวผู้พูดเนี่ยมีประสบาการณ์อยู่วัดนี้มาสิบกว่าปีเคยผ่านการสอบอารมณ์มาทุกรูปแบบโดนท้าต่อยก็มีแต่เราก็ผ่านมาได้หรือทะเลาะว่าแหวงกันก็มีหรือถูกด่าก็มีหรือถูกโยนความผิดให้ก็มีที่ว่าบางครั้งตัวเองไม่ได้ทำผิดเลยเขาบอกเขาบอกเาาก่าวตู่อะไรอย่างเงี้ยหรือไม่โดนดินทาในเรื่องที่ไม่เป็นจริงก็มี แต่ถ้าเราตั้งจิตไว้ผพียเราก็จะไปโกรธคนที่กระทําอย่างนั้นเพราะสมัยนี้คนเรามักจะมองเห็นประโยชน์เฉพาะหน้าเป็นหลักอย่างตําแหน่งหอธรมาเนี่ยจะมีคนชอบและคนเกลียดอยู่คนที่ชอบอรรมาคือคนที่ได้ผลประโยชน์แต่คนที่เกลียดก็คือคนที่เสียผลประโยชน์บางครั้งมีจิตที่โมนเราไปคู่สวดเป็นกับวาจารย์บวชหน้าเนี่ยพระบางรูปที่เราไม่ได้โมนไปเราเห็นว่าทําไม่ค่อยดีทําตัวไม่เหมาะสมที่เกียดประทําวัด หรือว่าพืชยอ่อหย่อนไม่ช่วยงานวัดทั้งนี้อาตมาก็ไม่ค่อยนิมนตบางคนเกลียดอาตมาไปก็มีอาฆาตก็มีบางคนขยันก็อาจจะชอบ อ, อบาตมาเพราะเราส่งเสริมไงเปิดโอกาสให้แสงควาสามารถให้แสงความสามารถแล้วก็ให้ได้สร้างผลงานเรื่องโลกจะเอาได้นอนไม่ได้บางครั้งถูกใจคนนี้ก็ผิดใจคนนู้นอยู่ใต้โลกาธรรมมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์ มีสเสรมิมมินทาทุกคนต้องประสบหมดแหละแม้แต่พวกโยมผู้มังากบางทีเจอคนรอบข้างเรามาฟังถามแค่ครึ่งชั่วโมงนะแต่ว่า ช, ชีวิตประจําวันเนี่ยเราต้องเจออารมณ์กระทบเนี่ยวัน1นึงสิบกว่าชั่วโมงจนกว่าจะหลับอาจจะเจอเพื่อนพระด้วยกันเพื่อนแม่ชีด้วยกันขัดใจพูดผิดหูหรือเจอสิ่งแวดล้อมธรรมชาติดินฟ้าอากาศยุง มดแสัตว์อือ่นๆในวัดที่อาจจะรบกวนเราได้แมงวีอะไรเงี้ยการปฏิบัติธรรมอยู่แมงวีก็บินมาตอมตาตอมหูอุ่นวายไปหมดหรือไม่กระเจออากาศที่หนาวเนี่ยยิ่งถ้าคนแก่เนี่ยภูมิต้านทานร่างกายของก็กกน้อยเวลาเจออากาศหนาวก็จะหนาวมากกว่าคนหนุ่มคนสาวเพราะว่าอุปสรรคก็เยอะชีวิตธรรมาชาติเนี่ยจะไม่ให้เราสบายหรอกสังเกตนะบางวันแดดก็ร้อนเปี้ยงเลย ร้อนจนอยากอาบน้ำมาหลายหลายรอบธรรมชาติให้เราเรียนรู้ตลอดเวลาธรรมชาติสอนธรรมเราตลอดเวลาเลยแต่เราจะเรียนธรรมะจากธรรมชาติหรือไม่สามารถเรียนได้ตลอดเวลาอย่างบางคนเนี่ยก็เอาใจไปฝากไว้กับสิ่งนู้นสิ่งนี้แล้วก็เกิดปัญหาเมื่อก่อนน่ยมีพระที่อาตมารู้จักกันนมาเล่าให้ฟังนะอันนี้เล่าจากเรื่องจริงเลยพี่น้องอยู่คู่หนึ่งพี่เป็นเจ้าวาดอยู่วัดเล็กๆแห่งหนึ่ง น้องชายอยู่กับน้องชายสองสองลูปน้องชายเนี่ยก็เป็นพระที่แบบออกจะเพี้ยนเป็นโรคประสาทแต่น้องชายจะติดพี่ชายมากเลยนะวันวันึงแกเหงาอะแ ก, แกว่าเวแกจะก็อาศัยพี่ชายนี่แหละเป็นที่พึ่งปอกใจายามเหงาได้คุยได้อะไรแต่มาอยู่ระยะหนึ่งเนี่ยก็มีเพื่อนมีเพื่อนพระด้วยกันเนี่ยมาอยู่ด้วยไอ้ทีนี้พระที่มาอยู่ด้วยเนี่ยก็สิ่กับพระพี่ชาย ก็คุยกับถูกคอพระพี่ชายก็มักจะมาคุยด้วยทีนี้พระน้องชายเนี่ยเริ่มหมั่นไส้แล้วเพราะเหมือนกับว่ามีความสุขกับพี่ชายไม่รักตัวเองแล้วคือแล้วอิจฉาแล้ว ท, ที่เห็นพี่ชายไปคุยกับพระลูกอื่นขณะที่พี่ชายกำลังคุยกับพระเพื่อนรูปนี้นะวันนั้นน้องชายก็โกรธมากเลยก็ขาไปตบหัวพระพระที่มาคุยกับพี่ชายหัวเข้ามั่มเลยสักพักนึงได้สติกลับคืนมา ว่าตัวเองทำผิดผิดผิดมากเลยว่าทําตามใจตัวเองไปตบเขาได้งไงพระที่ตบเนี่ยปัญสามากกว่าพระที่ที่โดนตบนะแล้วสามคนนี้ก็รู้จักกันมาทั้งสามคนแหละรีบไปคลองสาคติมาแล้วประกาศพระรุ่นน้องที่เอาตบเขาอันนี้ทำเว่าความลืมตัวคือคิดปุ๊บคิดแล้วทําเลยอันนี้ไปฝากใจไว้กับพี่ชายพระที่โดนตบก็งงนะแต่แกก็ไม่โกรธนะคือพระลูกนี้ฝึกสมาธิบดี ก็เลยของตัวเองได้ไม่ไปไม่ไปไม่ไปทะเลาะบอกแววงหรือเอาคืนก็แห่ไัยทันทีอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการผ่านอารมณ์นั้นได้แล้วก็มีอีกหลายเรื่องสมัยก่อนเนี่ยอรหมาเมื่อก่อนก็ช่วงที่สิบกว่าปีก่อนอะก็เคยปฏิบัติธรรมเคยเก็บอารมณ์เข้มกรรมฐ า, านเข้มมาเจ็ดวันก็จะได้พวก ก็ดึงคนที่ไม่ชอบปฏิบัติมาปฏิบัติด้วยแหละบางคนที่เดินจงกรมตีหนักเดินไม่ไหวยกมือไม่ขึ้นเนี่ยพอมาไปบัติรลูกมาเราเนี่ยก็สามารถเดินจงกรมได้วันทั้งวันยกมือขึ้นทั้งวันคือเราสร้างแรงกระตุ้นให้คนมีความแบบยังไงแบบขึ้นเขิมพระรูปนี้ก็ชอบอัตมานะอัตมาก็ไม่ได้ไปรู้ทําอะไรหรอกแต่อัตมาแบบเราไปสแตนอินได้ไงว่าสามารถยกมือได้ทั้งวันเดินจง ก, กรมได้ทั้งวันเขาเห็นก็ชอบชอบปะคุยสรรมะด้วย แต่พระรูปนี้ก็พินเพี้ยนหน่อยนะแกะโกรธพระอยู่รูปหนึ่งเราไอ้ธรมาจะไม่เชื่อพระรูปนี้ดังในวัดนี้ใครก็รู้จักหมดแค่ได้ยินชื่อปุ๊บเนี่ยแกโกรธขึ้นเลยแหละอารมณ์พุ่งเลยแหละแกพยายามคุยธรรมะ ก, กับอรมาวันนั้นแกอารมณ์ดีมากเลยแตม่มาวางแผนจะแกล้งแกให้แกเห็นอารมณ์คุยยังมีความสุขสนานอันเรายก ว, วกกลับมาคุยเรื่องพระรูปนี้พอได้ยินชื่อแค่แห ล, ละอารมณ์แกพุ่งเลยนะ น้าเสียงที่เมื่อกี้มีความสุขเนี่ยเปลี่ยนละเป็นอารมณ์ที่โกรธไม่พอใจผมนี่นะรุ่นพ่อเขานะยังทำกับผมได้นขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาพูดไปเรื่อยเปื่อยอาจาาชีพเห็นอารมณ์เลยเมื่อกี้เนี่ยหลุกพี่เนี่ยสังเกตไหมเมื่อกี้ยังมีความสุขอยู่เลยอารมณ์ยังดีอยู่เลยอารมณ์โกรธมาได้ไงเนี่ยดูวนลมด่วนเลยพารุกนั้นนึกได้สติขึ้นมาจึงเห็นว่า จริเห็นอารมณ์ตัวเองเลยว่าอารมณ์เนี่ยมันเกิดจากความที่ปรุงแต่งซึ่งจรเข้ามาธรรมด า, าคนเราไม่มีอารมณ์แล้วแต่มันมีเชื้อปุ๊บพอพูดถึงคนนู้นคนนี้ที่เราไม่ชอบปุ๊บเนี่ยมันปรุงแต่งต่อเลยแหละพูดถึงคนเราเกลียดเพราะโดยนิสัยคนเราจะมีมีความชอบความเกลียดแต่ความรักความเกลียดก็อยู่ติดกันแหละ พ, พอพลิกจากความรักก็เป็นความเกลียดเหมือนหัวงูกับหางงูแต่ละคนที่เฉยเไม่รักไม่เกลียดคนนั้นไม่เคยมีปัญหาหรอก เมื่อก่อนนะถ้าโยมเล่าฟังเพลงสายันน่ะจะมีเพลงนึงรักสายันได้น้อยแต่ขอยรักนานๆอันนี้น้าคนรักได้น้อยรักได้น้อยน่ะมันจะรักได้นานสามีภรรยาที่รักกันอย่างดุดดื่มพอไม่ช้าเนี่ยขัดใจกันขึ้นมาทะเลาะ ก, กันหรือไม่ก็ะทั่งเลิกกันเลยแหละเพราะว่าอีกฝ่ายต่างคาดหวังอีกฝ่ายหนึ่งเกินไปหือเรียกร้องเรียกรยก้องเกิดกว่าเป็นจริงแต่ถ้าการรักกันแบบไม่เรียกร้องอะ่ะอยู่ได้นานเพื่อนก็นเหมือนกัน เพื่อนถ้าไม่เรียกร้องเรียกร้องนี่หมายถึงว่าเบียดเบียนนะให้อีกฝ่ายหนึ่งเลี้ยงมากๆหรือยืมตังค์อะยืมตังค์เพราะผู้ขอเนี่ยมักจะไปที่ลำเคียดของผู้ถูกขออันนี้เป็นกฎธรรมชาติเลยอธิบาไม่ได้ว่าใครต่อแต่ให้ให้รู้เลยว่าเป็นข้อห้ามเมื่อจะเป็นใครก็แล้วแต่อย่างอย่างบางทีเราไปเลี้ยอะไรซองเนี่ยเอาซองไปเริ่มเป็นกรถินเป็นผ้าป่าอะไรอย่างเงี้ย เพื่อนักจะรังเกียรจเพราะผู้ผู้ทำบุญเนี่ยมักมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้มาจากความสมัครใจของเจ้าตัวบางทีเจ้าตัวอยากใจบุญอยากทำเนี่ยแต่ถ้าเอาสองเขาป่ามาให้เนี่ยก็มีความรู้สึกไม่อยากทำแล้วผู้ขอยอมเป็นที่ลังเกียจกับผู้ถูกขออันนี้พระพุทธเจ้าพูดนะแต่บางคนลืมมองตัวนี้ไปไปเบียดเบียนฝ่ายอื่มากไปมิจฉาภาพก็เริ่มสั่นคอนสั่นคลอนยิ่งถ้าเขาชี้เยียงใจด้วยเขาชี้เยี่ยงใจนี่จะทำอะไรตาใจคนอื่นนะแต่ตัวเองจะทุกข์ แต่คนที่เขามองปัญหาความทุกข์เนี่ยจะต้องตัดความเก่งใจออกบางเรื่องบางเรื่องต้องกล้าพูดเก่งใจไม่ได้แต่บางเรื่องเราก็ต้องเก่งใจเคารพในกติกาสมมติของสังคมคือรู้การาทศษฐอะไรควรไม่ควรเพราะบางทีเราพูดตรงผงผางแต่ไม่รู้การาธิษฐเราก็เป็นคนไม่ดีได้หรือทําร้ายน้ําใจคนอื่นมากเกินไปเพราะมีหลายคนที่มีความรู้มาก แต่ไม่รู้กาเทศะอะไรควรไม่ควรก็ตัวไม่รอดเพื่อนกาลังเกียดบคนก็มากลายเป็นเก้าล้าวดือ้อก็อตัวไม่รอดเหมือนกันการฟังธรรมจึงมีการสอนอะไรหลายอย่างสอนให้เราเนี่ยมาครั้งไม่เคยได้ได้ฟังมาก่อนก็จะได้ยินได้ฟังสิ่งนั้นถ้าเราเคยได้ยินได้ฟังสิ่งนั้นมาแล้วเนี่ยเราก็เข้าใจายอย่างนั้นยิ่งขึ้นคือรู้ชัดเจนยิ่งขึ้นบางคนที่สงสยัย สงสัยเรื่องรู้เรื่องนี้พอฟังธรรมปุ๊บเกิดปิงขึ้นมาก็หาสงสัยแล้วสงสัยขณะที่ฟังธรรมเนี่ยบางครั้งจิตคนฟังก็ผ่องใสนะตั้งใจฟังแต่ถ้าเกิดเราไม่ตั้งใจฟังหลับง่วงขี้เกียจหรือเบื่อผู้พูดเมื่อไหร่จะพูดจบแล้ทีอะไรเงี้ยน่าลาคานจริงอันนี้ก็ไม่ผ่องสยายการฟังธรรมสามารถทําให้เรามีความเห็นที่ตรงได้เราอาจจะไม่เชื่อว่า บุญบาปมีจริงโลกสวรรค์มีจริงนิพพานมีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วการวางจิตยังไงให้เป็นกุศลและอกุศลแต่เราฟังทักปุ๊บเราก็ได้ไประโยชน์จากสิ่งนี้เพราะถ้าเราไม่เรียนธรรมะเนี่ยโดยธรรมชาติจิตคนเราจะคิดลบมองทางลบแหละทำงานก็เอ๊ะเพื่อนไม่ช่วยเราทำเลยบางทีเราถูกสาลาฝาดใบไม้เพื่อนไม่เห็นกับตัวถึงเวลามันก็เอาตักอาหาร กินอาหารเสร็จรีบหนีกลับก่อนอะไรอย่างเงี้ยคนที่ทำก็ทําอยู่นั่นแหละคนที่ไม่ทําก็หลบหลีกอู้ไปตามเรื่องตาราวแม่ชี้ก็เหมือนกันไม่ชีไปหัขยนันช่วยงานบางคนก็เจ้าเล่ห์หลบหลีกงานก็มีอันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์แต่เราหวังใจให้เป็นปุ๊บเนี่ยเราจะทุกข์ละจิตเราเป็นจะเป็นอกุศลไงแต่ถ้าจิตเป็นอกุศลปุ๊บเราเห็นใครทความดีเราก็สาธุอันนี้เราก็ได้บุญด้วยใครทําความดีเราก็สาธุใครทําไม่ดีแล้วก็แกล้งมองไม่เห็นบ้างก็ได้ พอแล้วทำความดีแล้วติดดีเดียมีปัญหาหมดแหละเพราะการที่ติดดีมากๆ ก, ก็กลายเป็นคนไม่ดีกลายเป็นแบกความดีพระที่เค้งวินายอันมาเคยไปอยู่วัดเข า, าสารพดดีที่หันคานะวัดที่เค้งมากวันพระนี่แต่ชิกไม่นอนไม่จับเงินฉันมื้อเดียวห้ามเก็บขอไมฉันที่กูเด็กขาดนอกจากฉันตามที่วัดจัดให้เรา เวลาหวัดก็เยอะอย่างตอนเย็นเนี่ยมาทําวัด6กโมงที่เลิกสามทุ่มอย่างเงี้ยตีสองครึ่งระคังตีเป่งๆละแทบพะกผ่อนแทบไปพอเลยแต่พระเขาจะกลัวเรื่องบาปนะพาวัดที่เค่งๆเนี่ยจะกลัวเรื่องเขาจะเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปมากจะนับถือคูบาจารย์จะมีศรัทธาเป็นตัวนําแต่มีข้อเสียบางทีบัดกรรคกันเรื่องไร้สาระไอ้คนนี้ทําไมถึงผิดศีอย่างนี้ บางทีไปคุยกับแม่ชีพระไปคุยกับแม่ชีก็โดนเพ่งโทษแล้วเข้าไปที่ประชุมสงฆ์แล้วหรือเรื่องไม่เป็นเรื่องอ่ะเรื่องที่ไร้าสาระมันก็เป็นเรื่องที่มีสาระขึ้นมาเพราะว่าพระใหม่ๆบางทีไม่รู้ไปถือวินยัยเป็นตัวนําคือไม่ได้ถือตัวธรรมไงแต่ถ้าคนเข้าใจเรื่องธรรมะย้อนกลับมาดูตัวเองก่อนจะไม่ไปยุดูคนอื่นหรอกเพราะคนอื่นบานทีมีปัญหาหมดแหละ คนนู้นก็ไปอย่างนี้คนนู้นก็ไปอย่างนั้นไม่มีใครได้กงใจเราหรอกแม้ตัวเราเองบางทีมันยังขัดใจเราเลยธรรมะเราจึงเน้นสอนตัวเราเองเราไม่ได้เน้นสอนคนอื่นเพราะคนอื่นเขาอยากเรียนธรรมะกับเราเขามาคุยกับเราเองแหละอย่างถ้าเกิดเราไปสอนเขาไปละเสนอว่าอยากสอนเรื่องนี้ยอันนี้ไม่ใช่มี่หลวงพ่ออยู่รูปหนึงท่านก็เที่ยวไปสอนใครท่านอยากสอนเรื่องนิพพานท่านไปที่ไหนท่านก็จะไปชวนโยมเลยแหละไปคุยเรื่องนิพพานแต่ท่านพูดไม่ค่อยเป็น โยมก็หนีหมดเหมือนอิพเราจเอาทนิพามาให้อโยมเขาไม่ได้เสนอว่าจะให้สอนใครแต่ว่าเราอยากสอนไปมาหลวงพ่อรูปนี้เลยดังเลยไปไหนเขากลัวเขากลัวแกวสอนธรรมะตัวอนามาเคยเจอนะมีหลวงพ่ออีกคนหนึ่งติดอารมณ์ติดอารมณ์ปุ๊บคิดว่ารู้ประลุทำแล้วเดินทางมาหาต่อมาเนี่ยเพื่อจะมาโปวดอนามามาพูดเรื่องรูง้เรื่องนี้บางทีพูดตั้งครึ่งวนันอะอนมาทํางานไม่ได้เลยบางที คือเขาสูงสารเขาอยากให้เห็นให้อัลมาหลุดพ้นด้วยบางทีก็กลางล่มมาเดินทางมาตักไกลเลยเพื่อมาสอนธรร ม, มะคืออยากเอาโปรดแล้วก็เที่ยวปวดแม่ชีด้วยอยากให้คนทุกคนนี้บรรลุธรรมแต่ผลสุดท้ายไปามาพอสบาธิเสื่อมตัวเองเละเทะเลยกลายเป็นผ้าที่โลภเป็นพ้าที่ใช้ไม่ได้เลยอัลมาเจอหลายคนแล้วนะที่เป็นอย่างนี้บางทีคิดว่าตเองบรรลุธรรมแต่ตัวเองไม่ ไ, มได้บรรลุไง ความคิเป็นหลอกกับแย่ก่าคนที่เขาไม่เป็นประทับนี่ซ้ําัเราก็ต้องระวังแล้วการแสดงธรรมก็ไม่ได้หมายก็ว่าต้องพูดให้โยมฟังอย่างเดียวพวกโยมก็แสดงได้บางครั้งโยมเนี่ยเห็นคนเที่ยวเข้ามาวัดใ ห, ใหม่เราก็แนะนําครูบาอาจารย์แนะนําแผ่นซีดีว่าคุณเอาแผ่นนี้ไปเปิเปดฟังแนะนําสํานัก ต, าต่างๆเนี่ยอันนี้ก็คือการแสดงธรรม หรือคนที่เขาคนที่เขามีปัญหาชีวิตมาอกหักหรือคิดฆ่าตัวตายหรือหมดกำลังใจในการสู้ชีวิตค้าขายขาดทุนหาทางออกอะไรไม่ได้เลยเนี่ยบางทีเขามาวัดเนี่ยเขาอยากมาปรึกษาพระปรึกษาแม่ชีอะไรอย่เงี้ยถ้าเราคุยเรารับฟังเขานะไม่ไปแย่งเขาพูดนะเราก็ช่วยเขาได้ให้เขาร ะ, ะ, ะบายอันนี้ก็เป็นการแสดงธรรมเหมือนกันว่าการแสดงธรรมเนี่ยไม่ใช่ต้องพูดธรรมะอย่างเดียว การฟังธรรมก็เป็นการแสดงธรรมได้ฟังด้วยความสงบอย่างภาพบางรูปเนี่ยอยากแสดงธรรมมากจนม่รูกาเทศะบางทีบางทีพ ร, ระพุทธเจ้าปรับประบาดนะสมมุติมีภาพภาษามากกวอยู่ถึงรูปเนี่ยภาพอยู่สามสีคนเนี่ยภาพภาษาน้อยกว่าเนี่ยเวลายโยมก็คุยกับภาพภาษาเยอะกว่าเนี่ยเราบัสบัสสอดสอดแทรกอยากพูดด้วยแย่งพูดอะไรเงี้ยอันนี้ไร้มารยาทมีหลายคนนะที่เป็นอัลมาไม่อยากพูดบางทีบางทีฟามหลงมัท้ายไม่รู้ตัวไมูกาเทศะ เรอยาแสดงภูมิฐานให้โยมรู้ว่าเรามีธรรมะแต่ทีโยมเขาไม่ได้คุยกับเราเรามาแย่งเขาพูดอะไรอเงี้ยโยมก็ไม่จะฟังใครทีนี้โยมสับสนแล้วตอนนี้พระพุทธเจ้าปรับอาบาดัดพราที่แสงทางพร้อมกันอันนี้พวกพวกพระเก่าพระใหม่ให้ใ ห, ให้ระวังตรงนี้นะครับป้องดีบางทีล้อวิชาเราไปร่วมเกินพระประสามากกว่าโดยไม่ตั้งใจบาทีเขาเขาไม่ได้คุยกับเราเรามาแย่งเขาพูดด้วย แย่งอวดรู้อย่งอวดภูมิรู้อะไรพวกเราเนี่ยบางทีโยมเขาแต่จะพภาคเก่าเขานิ่งเขาไม่ได้แสดงอะไรเลยแต่ภาพใหม่อวดอั่งอย่างงู้ี่อย่างนี้สิอะไรเงี้ยหรือแย่งพูดบทคือคืออาละวาเจอกับตัวเองแต่ไม่เอ่ยชื่อมีหลายคนที่เป็นแบบนั้นภาพบางองค์อาลมาก็อย่างอาจารย์ยุกิอาละาก็นี่มนท่านแสดงธรรมแต่ท่านพูดธรรมะไม่เป็นบางทีท่านพูดภาษาไทยไม่ไ ม, ไม่ไม่ค่อยได้ท่านจะเก่งภาษาญี่ปุน่นบางทีการแสทรกระของท่านเนี่ย ก็จะวกไปเวียนมาหรือใช้ภาษาที่ที่ไม่ได้อะบางทีการการพูดก็ถ้าเราตั้งจิตผิดเราจะเบื่อเมื่อไหร่อาจารย์จะพูดเลิกกท็ทีเนาะอาจารย์พูดอะไรก็รู้เรื่องแต่ถ้าเราตั้งใจฟังดูจิตเราเองเนี่ยดูว่าเราเบื่ออาจารย์ไหมถ้าเราไม่เบื่อเราก็สอบอารมณ์ผ่านก็ฟังปกติหลวงตากรมก็เหมือนกันหลวงตากรมเนี่ยอาตมาเคยนิมนต์ท่านเทศท่านเทศ ไม่ยอมเลิกจากเททครึ่งยโมงเนี่ยซัดเข้าไปถึงเคยถึงส5ห้าทีก็ไม่เลิกจนต้องเหมือนกับต้อสกิดอะหลงตาเลิกได้แล้วแต่หลงตาทั้นพูดท่านก็พอพูดไปแล้วท่านจะวนเวียนมาเรื่องเก่านะเหมือนเหมือนว่าเป็นเปิดใหม่แต่แท็กเดิมบาทีอาจจะส4สี่รอบด้วยซ้าจนพาอออกไม่ออกฟังแล้วหลงตาไม่ยอมเลิกทีเพราะหลงตาลงไม่ได้หนันออกไม่ได้ลงไม่ได้ไนงะ ก็เมื่อก่อนที่เทศที่ผู่อทองแหละงานส่หลวงพ่อแหละหลวงตาลงไม่ได้จนอาจารไปศาลนะต้องไปบอกเลิกเลิกได้แล้วเพราะเราให้แสดงธรรมเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงตอนนั้นหลวงตาแสดงไปชั่วโมงไงชั่วโมงกว่าด้วยไม่มีทท่าจะเลิกได้เลยจนต้องไปบอกสามรอบจนพ่อออกไม่ออกร้องกว่าจะยอมเลิกได้แต่หลวงตาโกมไม่ทุกนะเพราะหลวงตาโกมท่านขณะที่แสดงธรรมท่านมีความสุขไนงะอาจารย์โพบังโส สิทธิ์ของหลวพชาเนี่ยเคยเคยกลัวมากเลยเรื่องการแสงทำประมาทต่อหน้าคนเพราะว่าท่านพูดภาษาไทยก็ไม่ค่อยจะได้ตอนนั้นท่านภาษาห้าหลวงพ่อชาถ้าวันสำคัญทางศาสนาเนี่ยวันมาค้าบูชาอวิสาขะหรือวันอื่นเนี่ยท่านจะแสงทำเองแต่ก็ไม่แน่เสมอไปบางครั้งถ้ากวาสายตามาที่พระหางแถวอะ่ะไม่เกี่ยวเรื่องภรษาแล้วตอนนี้ ถ้ากวาดตาไปที่ใครรูปนั้นก็โดนอาจารย์ภพบังโสก็ดีใจแล้วว่ารอดไปวันนั้นหลวงพ่อช้ากวาดตาไปหนึ่งรอบแล้วหารือกวาดตาบองคนอื่นแต่แล้วหลวงหลวงพ่อชาก็มองทางนี้อีกภพบางโศแสดงธรรมท่านถึงก็อึ้งเลอต้องมาแสดงธรรมต่อหน้าโยมเป็น 1, พันพะสอ0รวันนั้นเป็นวันบาคคาบูชาแต่อาจารย์ภพบางโศท่านก็ตั้งสติได้ว่า เราต้องไม่พูดตามใจยโยมนะเราต้องพูดขณะที่แสดงธรรมเนี่ยเราต้องมีความสุขกับการแสดงธรรมเพราะบางครั้งเราไปเอาใจโยมมาใส่ไปฝากใจเพื่อโยมเนี่ยจบเลยเวลาพูดธรรมะพูดไม่ออกแต่ถ้าเราสนุกกับเรื่องที่เราพูดเนี่ยเราพูดไปเรื่อยๆโ ย, ย, ย, ย, ยมจะฟังไม่ฟังเรื่องของโยมซึ่งวิธีนี้ก็ได้ผลอาจารย์พพประสงค์ ก, ก็พูดจะรอดชั่วโมงหนึ่งสำหรับคนพูดได้เป็นได้นานมากเลยนะ ว, วนใบเวียนมาและยินคนไม่รู้ภาษาไทยด้วยไม่จะสื่อออกอยังไงก็คิดอยู่นั่นแหละนานเมื่อก่อนอันมาอยู่สวนโมกเนี่ยเราจะได้ฟังครูบาจาหลายคนพูดสมัยก่อนหลองจเจ้าว่าเน่ยท่านท่านจะเชี่ยวชาญปริยัติมากเลยท่านจะพูดเรื่องธาตุอญญายตนะขันห้าปฏิจจสมุติบาทท่านพูดบางทีสองชั่วโมงเนี่ยยมเชื่อไหม ผ้าที่ฟังหลับหมดเลยเพราะอะไรเพราะว่าเสียงท่านราบเรียบเสียงนุ่มแต่ท่านก็ยังพูดนะคนหลับหมดท่านก็พูดเพราะท่านไม่ได้สนใจคนฟังถ้ามีความรู้สึกว่าหน้าที่ของท่านคือแสดงธรรมให้แสดงธรรมถ้าทำหน้าที่ของท่านแล้วใครอยากฟังไม่ฟังเรื่องของท่านท่านเสด ว, วิชาความรู้ถึงท่านพูดเก่งท่านก็มีความรู้มากอะ่ะแต่การเสดวของท่านเนี่ยอาจจะไม่สนใจคนฟังประโยชน์ก็เลยน้อย ซึ่งการแสดงธรรมเนี่ยถ้าจะได้ประโยชน์มากเนี่ยผู้พูพกระ้องกับผู้ฟังเนี่ยจะต้องร่วมเดินทางไปด้วยกันอย่างวัดนี้อาจารย์ออสท่านจะเป็นนักแสดงธรรมคนแรกที่ฉีกแนวแสดงธรรมไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนคือชี้ให้โยมเนี่ยเห็นแล้วลมปัจจุบันเพื่อออกจากโลกสมมุติพอถ้าเราจำมาพูดเนี่ยมันจะมันจะมีเรื่องสมมุติเยอะก็มีอาจารย์ออสที่ว่าใช้วิธีนี้แต่มาดมูก็ดีนะฮะ บัญชีใหโยมเห็นอารมณ์ปัจจุบันเลยว่าขณะที่เบื่อไหมง่วงไหมคิดอะไรกับผู้พูดทําให้เห็นอารมณ์ตัวเองไงขณะที่เราดูโทรทัศน์ดูหนังเนี่ยถ้าเราไม่มีสติเราจะไหลเข้าไปในอารมณ์เลยเวลาตัวร้ายแสดงเราจะไปเกียรติตัวร้ายบางทีนางเอกพระเอกตกในสถานการณ์ลำบากเราก็ไปสงสารเอาใจช่วย ทั่วไปจะเป็นอย่างนี้นะบางทีแล้วยินข่าวฆ่าคมขืนทำร้ายเจ้าทรัพย์อะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะไปเกียดและเกียดคนคนร้ายบางทีเผื่อแช่งด้วยอย่างงี้มันต้องเอาไปฆ่ายิงเป้าถ้าคมขืนก็ไปตอนไปตัดจู๋อะไรพวกนี้ยคิดไปต่างๆนานาแต่ขณะนั้นเราไม่มีสติคือเราไม่ได้ดูเฉยๆไงเราเป็นผู้เป็นด้วยคือเป็นมีนนนนอารมณ์ร่วมกันกับสิ่งที่เราดู อันนี้เราเช็คได้ครอารมณ์ปัจจุบันวิธีสอนของอาจารย์ออสเนี่ยได้ผลามามองแล้วชี้ให้เห็นคนเห็นอารมณ์ได้ขนาดที่คนอารมณ์ดีๆปั๊บเดียวไปพูดถึงเรื่องคนที่เราเกลียดก็อดทันทีเลยแต่ถ้าพูดที่คนที่เรารักเราก็ดื่มด่ำทันทีเลยพูดที่คนเราชอบเลยเราก็จะไปชมเขาแต่พูดถึงคนที่เราเกลียดเนี่ยมเาเผลอเราช่วยช่วยเอาฟืนก่อไฟเพิ่มเติมไม่ซ้ํไปามาเผลอซ้ําเติมอะ่ะ พูดได้นหนักเข้ากว่าเดิมธรรมดายคนที่คนนี้ก็แย่อยู่แล้วนิสัยคนทั่วไปจะเป็นอย่างนี้นะเราขาดสติปุ๊บเราก็จะทําตามฟวามคิดตอนทีวันนี้อนามาก็ไม่ได้เตรียมเรื่องอะไรพูดก็พูดกับโยมเนี่ยไม่ค่อยมีสาระหรอกพูดไปเรื่อยๆเนี่ยนี่ก็หมดเวลาแล้วเวลาบมดเร็วมากเลยเพราะอนามามีความรู้สึกว่าตัวเองพูดสนุกกว่าการพูดเอางี้ดีกว่าเครื่องเชื่อมงจึงไวไวมันติดปีคจนลืมไปว่าเนี่ยหมดเวลาเนี่ยก่อนจบ ก็ขอฝากกอนไว้ให้ญาติโยมสักกรนหนึ่งกอนของหลวงพ่อวัฒธนธ์แต่วันนั้นท่องร่มทีสาราหน้าทีแล้วนะคนลึกไว้ออกเพราะการพูดธรรมะแบบขอธรรมาเนี่ยยากทํายากถ้าพูดแบบเลื่ย์เปลยไม่มีกรไม่มีไม่มีเรื่องเล่าไ ม, มไม่มีทำไม่มีอย่างนั้นอาจะง่ายคือที่เราฝึกเนี่ยเราฝึกจากยากมาหาง่ายเพราะว่าสมมติอนวันไหนอนามาไม่มีกรให้โยมฟังไม่มีเรื่องเล่าเราก็พูดได้เราก็พูดจนจบได้เหมือนกันแต่ถ้าวันไหนมีกร ก็ทำประโยชนไม่เบื่อมีกอนมีเรื่องเล่านะเรื่องเล่าเยอะๆกอนหลบงพ่อพุ้ธท่ากรนี่ก็คือกอนมองถูกทุกคายเนื้อความของใจกรก็คือให้เราเห็นทุกอย่างไปอาจารย์มันมีทั้งโทษทั้งคุณถ้าเรามองเป็นแล้วก็สามารถนำนำประโยชน์จากการมองถูกมาใช้ได้แต่ถ้ามองไม่เป็นโทษหมดแหละไอคนรุ้นก่อนไปดีสิ่งนี้ก็ขัดใจนันอยู่ที่เรามองอะจะมองถูกหรือมองผิด ญาติโยมตั้งใจฟังถ้าออกมาท้องผิดก็ขอโทษด้วยนะเพราะว่ามันเกิดจากความจำจาผิดได้มองอะไรมองให้เห็นเป็นครูสอนมองไม้ขอนมองคนถ้าค้นหามีสิ่งสอนเสมอกันมีปัญญาจะพบว่าล้วนมีพิษอันนี จ, จังจะมองทุกข์หรือมองสุขมองให้ดีว่าจะเป็นไปอย่าง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 ขอจบลงแค่นี้